เศแสดงสีละมายายาัยญาณปัญญาในการสะดับทำแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าสีละมัยญาณเป็นอย่างไรคือสีห้าอย่างได้แก่หนึ่งปริยันตะปริสุทธิสีนสีนคือความบริสุทธิ์อันมีที่สุด 2. อปริยันตะปริสุทธิสีนสีนคือความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สุด สปริปุณะปริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สอปปรามัฏฐะปริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดมั่นด้วยอํานาจทิฐิ 5. ปฏิปัสสติปริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์เพราะการสงบระงับในศีลห้าอย่างนั้นปริยันตะปริสุทธิ์ที่ศีลเป็นอย่างไร เพือศีลของอนุปัสมบันิผู้มีสิขาบทอันมีที่สุดนี้ชื่อว่าปริยันตะปริสุทธิศีลอภปริยันตะปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของอุปสัมบันิผู้มีสิขาบทอันไม่มีที่สุดนี้ชื่อว่าอปริยันตะปริสุทธิศีลปริปุณะปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือศีลของกาลยาณปุจฉนผู้ประกอบภูสุนธรรม บำเพ็ญธรรมซึ่งเป็นที่สุดของพระเสขให้บริบูรณ์ไม่อาลัยในกายและชีวิตสละชีวิตแล้วน้ชื่อว่าปริปุณะปริสุทธิศีล์อัปรามัฏฐปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรคือสีนของพระเสขเจ็ดจำพวกน้ชื่อว่าอัปรามัฏฐปริสุทธิศีล์ปฏิปสัตธิปริสุทธิศีล์เป็นอย่างไร คือ่อศีลของสาวกของพระตถาคตผู้เป็นพระขีนาศกของพระประเจกพุทธเจ้าและของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ชื่อว่าปฏิปสธิปริสุทธิศีลศีลมีที่สุดก็มีศีลไม่มีที่สุดก็มีในศีลสองอย่างนั้นศีลมีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีลมีลาบเป็นที่สุดก็มี ศีลมียศเป็นที่สุดก็มีศีลมีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลมีอัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีลมีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสกขาบทตามที่ได้จะมาทานไว้เพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบ yes. เป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามีลาบเป็นที่สุด ศีลมียศเป็นที่สุดน <What is S 1> <ét acion farklı> ั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุเพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการศีลนี้ชื่อว่ามียศเป็นที่สุดศีลมียาิเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดสิขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาดเป็นเหตุ เพราะญาติเป็นปัจจัยเพราะญาติเป็นตัวการสี น, นี้ชื่อว่ามีญาติเป็นที่สุดสีมีอัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดศสืขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอาัยวะเป็นเหตุเพราะอาย ว, วะเป็นปัจจัยเพราะอาัยวะเป็นตัวการสี น, นี้ชื่อว่ามีอัยวะเป็นที่สุด ศีลมีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรเพื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงละเมิดศีลขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการศีล น, นี้ชื่อว่ามีชีวิตเป็นที่สุดศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลขาดทะลุด่างพร้อยไม่เป็นไทยท่านผู้รู้ไม่สรรเสริญถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทไม่เป็นที่ตั้งแห่งปิติไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัสสัทิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตยานทัศนะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานศีนี้ชื่อว่ามีที่สุดศีนไม่มีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือศีนไม่มีลาบเป็นที่สุดก็มีศีนไม่มียศเป็นที่สุดก็มีศีนไม่มีญาตเป็นที่สุดก็มีศีนไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีนไม่มีชีวิตเป็นที่สุดก็มีศีนไม่มีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไหนขอจากล่วงละเมิดสิกขาบทเล่าศีนนี้ชื่อว่าไม่มีลาบเป็นที่สุดศีลไม่มียศเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะยศเป็นเหตุ เพราะยศเป็นปัจจัยเพราะยศเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะไนเขาจากล่วงละเมิดศกขาบทเล่าสีล น, นี้ชื่อว่าไม่มียศเป็นที่สุดสีลไม่มีญาตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศกขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะญาตเป็นเหตุเพราะญาตเป็นปัจจัยเพราะญาตเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้น ฉไนเขาจกล่วงละเมิดสิขาบทเล่าศีลนี้ชื่อว่าไม่มียากเป็นที่สุดศีลไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดสิขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะอวัยวะเป็นเหตุเพราะอวัยวะเป็นปัจจัยเพราะอวัยวะเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉไนเขาจกล่วงละเมิดสิขาบทเล่า ศีนนี้ชื่อว่าไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดศีลไม่มีชีวิตเป็นที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดที่จะล่วงละเมิดศสิขาบทตามที่ได้สมาทานไว้เพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะชีวิตเป็นตัวการก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเขาจากล่วงละเมิดศสิขาบทเล่าศีนนี้ชื่อว่าไม่มีชีวิตเป็นที่สุด ศีลดังกล่าวนี้เป็นศีลเนื้อขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทเป็นที่ตั้งแห่งปิติเป็นที่ตั้งแห่งปัจจธิเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งยถาภูตยานทัศนะ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนับเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานศีลนี้ชื่อว่าไม่มีที่สุดอะไรชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไหร่ศีลมีอะไรเป็นสมุดฐานศีลเป็นที่รวมแห่งทำอะไรอะไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีล ความสำรวมชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลมีเท่าไรศีลมีสามคือหนึ่งกุศลศีลสองอกุศลศีลสามอภยกตะศีลศีลมีอะไรเป็นสมุดฐานกุศลลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุดฐานอกุศลศีลมีอกุศลจิตเป็นสมุดฐาน อภยกากตะศีลมีอภยากตะจิตเป็นสมุทฐานศีนเป็นที่รวมแห่งธรรมอะไรศีลเป็นที่รวมแห่งความสำรวมเป็นที่รวมแห่งความไม่ล่วงละเมิดเป็นที่รวมแห่งเจตนาที่เกิดในขณะสำรวมและไม่ล่วงละเมิดนั้นชื่อว่าศีนเพราะมีความหมายว่าสำรวมปานาติบาตชื่อว่าศีนเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปานาติบาต ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอธินนาทานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอธินนาทานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมกาเมสุมิช้าจาร์ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกาเมสุมิช้าจารชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมมุสาวาต ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมุสาวาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมปิสุนาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดปิสุนาวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพุรุสวาจาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพุรุสวาจา ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมสัมภปาลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัมภปาลาปะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมอภิชาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอภิชาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสำรวมพยาบาทชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดพยาบาท ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสมรวมมิชฌาทิฐิชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดมิชฌาทิฐิชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสมรวมกลามชันทะด้วยเนคขัมมะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกลามชันทะด้วยเนคขัมมะพยาบาทด้วยอพัยบาทถีนมิทะด้วยอารมกสัญญา อุทจจะด้วยอวิเขปะวิจิกิจชาด้วยธรรมววัฏฐานอวิชาด้วยยานชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสัมรวมอรารติด้วยปาพุชะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอารติด้วยปาพุชะชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสัมรวมนิวรด้วยปถมฌาน ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดนิวรณ์ด้วยปฐมฌานวิตกวิจาร์ด้วยทุติยฌานปีติด้วยตติยฌานสุขและทุกข์ด้วยจตุทัตฌานรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานาตตาสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญา วิญญาณัญญายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสมรวมอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญาญาตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่า สมรวมนิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงเละเมิดนิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาอัตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนานันทิด้วยนิพิทานุปัสนาราคะด้วยวิราคานุปัสนาสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสนา อาทานะด้วยปฏิิสัก ข, ขานุปัสนาคณะสัญญาด้วยขยานุปัสนาอายุหณะด้วยวายานุปัสนาทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสนานิมิต ด, ด้วยอนิมิตานุปัสนาปณิธิด้วยอปณิหิตานุปัสนาอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสนาสาราานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสนา สัมโมหาพินิเวตด้วยยถาภูตยานัทสนะอารยาพินิเวตด้วยอาทีนวานุปัสนาอาปฏิสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสัมรวมสัญโยคาพินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสนาชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดสัญโยคาพินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสนา ชื่อว่าสีนเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปติมักชื่อว่าฌินเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปติมักกิเลสอย่างหยาบด้วยสกะทาคามิมักกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมักชื่อว่าสีนเพราะมีความหมายว่าสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมัก ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลส ท, ทั้งปวงด้วยอรหัตมรักศีลห้าประเภทคือหนึ่งการละปานาติบาชื่อว่าศีลสองการเว้นปานาติบาชื่อว่าศีลสเจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่อปานาติบาชื่อว่าศีลสความสำรวมปานาติบาชื่อว่าศีล ห้าความไม่ล่งลวงละเมิดปาณาติบาตชื่อว่าศีลศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อปราโมทเพื่อปีติเพื่อปัตสธิเพื่อสมนัตเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทำให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องปกป้องเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอาธิศีจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธ์ด้วยความสำรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอาธิจิต พระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ชื่อว่าอธิปัญญาบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา พระโยคาวจรเมื่อนึกถึงศึกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษา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 ศีลห้าประเภทคือการละอัินนาทานชื่อว่าศีลการละกาเมสุมิชฌาจาร์การละมุสาวาจการละปิสุนาวาจาการละพรุสวาจาการละสัมผัปปะปะการละอภิชาการละพยาบาทการละมิชฌาทิฏฐิการละปามัชทะด้วยเนกขัมมะการละพยาบาทด้วยอภิยาบาท การละถีนมิทะด้วยอาโลกะสัญญาการละอุทจด้วยอวิสเคปะการละวิจิกิจฉาด้วยธรรมะววัฏฐานการละอวิชาด้วยยานการละอารติด้วยปามุชะการละนิวรด้วยปฐมฌานการละวิตกวิจานด้วยทุติยฌานการละปีติด้วยตติยฌานการละสุขและทุกข์ด้วยจตุทชัชฌาน การละรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานาณาตสัญญาด้วยอากาศานัญจายตนะสมาบัติการละอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติการละวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากิญญายตนะสมาบัติการละอากิจญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ การละสุขสัญญา عة, ด้วยทุกขานุปัสนาการละอัตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนาการละนันทิด้วยนิพพานุปัสนาการละราคะด้วยวิราคานุปัสนาการละสมุทัยด้วยนิโรทานุปัสนาการละอาทานะด้วยปฏินิสักานุปัสนาการละขณะสัญญาด้วยขยานุปัสนา การละอายุหณะด้วยวยานุปัสนาการละทวัสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสนาการละนิมิตด้วยอนิมิตานุปัสนาการละปนิธิด้วยปนิขิตานุปัสนาการละอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสนาการละสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสนาการละสัมโมหาภินิเวท โดยยยถาภูตยานทัศนะการละอารยาพินิเวตด้วยอาทินวานุปัสนาการละอปฏิสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสนาการละสัญโยคาพินิเวตด้วยวิวัตนานุปัสนาการละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปิมักการละกิเลสที่หยาบด้วยสกะทาคามิมักการละกิเลสที่ละเอียดด้วยอนาคามิมัก สีนหประเภทคือ 1. การละกิเลธทั้งปวงด้วยอรหัตธรรมชื่อว่าศีน 2. การเว um e ้นกิเลธทั้งปวงด้วยอรหัตธรรมชื่อว่าสีน 3. เจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่อกิเลธทั้งปวงด้วยอรหัตมรรมชื่อว่าศีน 4. ความสำรวมกิเลธทั้งปวงด้วยอรหัตธรรมชื่อว่าศีน 5. ความไม่ล่วงละเมิดกิเลธทั้งปวงด้วยอรหัตมรรม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 เพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานความบริสุทธิ์ด้วยความสํารวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีลจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสํารวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิศีลพระโยคาวจรเห็นความบริสุทธิ์ด้วยความสํารวมโดยชอบเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ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 เมื่อร sure. sure. you know, ู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละทำที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญทำที่ควรให้เจริญชื่อว่าศึกษาชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าสีละมายญาณยญาณในการสำรวมศีลสีละมายญาณ น, นิเทศที่สองจบ สมาภาวนามายญาณ น, นิเทศแสดงสมาธิภาวนามายญาณปัญญาในการสํารวมตั้งจิตมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามายญาณเป็นอย่างไรคือสมาธิหนึ่งอย่างได้แก่เอเกคตาจิตสมาธิสองอย่างได้แก่หนึ่งโลคิยะสมาธิ 2. โลกุตระสมาธิสมาธิสมอย่างได้แก่ 1. สมาธิที่มีวิตกวิจารณ์ 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารสมาธิสี่อย่างได้แก่ 1. สมาธิที่เป็นส่วนแห่งความเสื่อม 2. สมาธิที่เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่สสมาธิที่เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษสสมาธิที่เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลส สมาธิห้าอย่างได้แก่หนึ่งสมาธิที่มีปีติแผ่ไปสองสมาธิที่มีสุขแผ่ไปสามสมาธิที่มีจิตแผ่ไปสี่สมาธิที่มีแสงสว่างแผ่ไปห้าสมาธิที่มีการพิจารณาเป็นนิมิตสมาธิหกอย่างคือ หสมาธิที่จิตเป็นเอกรคตารม์มีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งพุทธานุสติ 2. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งธรรมานุสติ 3. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งสังขานุสติ 4. สมาธิที่จิตเป็นเอกรคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งสีลานุสติ 5. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งจาคานุสติ 6. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งเทวตานุสติสมาธิเจอย่างได้แก่ 1. ความฉลาดในสมาธิ 2. ความฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. ความฉลาดในการดํารงสมาธิ 4. ความฉลาดในการออกจากสมาธิ 5. ความฉลาดในการใช้สมาธิ 6. ความฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 7. ความฉลาดในการนำสมาธิให้สูงสูงขึ้นไปสมาธิแป8อย่างได้แก่ 1. สมาธิที่จิตเป็นเอกภพตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปัทวีะสิน 2. สมาธิที่จิตเป็นเอกภพตารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอาโปกสินสสมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม erm, ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเตโชกสินสี่สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวาโยกสินหสมาธิที่จ <wise> ิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งนีลกสินหสมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปีตกศสินเจ็ดสมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งโลหิตะกรกสินแปสมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งโอทาตะกศะสินสมาธิเก้าอย่างได้แก่หนึ่งรูปราวจรสมาธิอย่างต่ำสองรูปราวจรสมาธิอย่างปานกลาง สรูปาวจรสมาธิอย่างประณีสี่อรูปาวจรสมาธิอย่างต่ำห้าอรูปาวจรสมาธิอย่างปานกลางหกอรูปาวจรสมาธิอย่างปราณีเจ็ดสุญญตะสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นความว่างแปอนนมิตตะสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นธรรมไม่มีนิมิตเก้าปนิหิตตสมาธิ สมาธิพิจารณาเห็นธรรมไม่มีความตั้งปรารถนาสมาธิ1ิบอย่างได้แก่ 1. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอุทุมมาตะกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่พองขึ้น 2. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวินีละกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีสีเขียว สมสมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิปุภะสัญญาความหมายรู้แทรกศกที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้ม 4. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิจิตะสัญญาความหมายรู้แทรกศกที่ขาดจากกัน 5. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวิขายญิตะสัญญา ความหมายรู ri, ้ทราบศพที even, ่ถูกสัตว์กัด 6. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งวิคิตะสัญญาความหมายรู้ทราบศพที่กระจัดกระจาย 7. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจหะตะวิคิตกะสัญญาความหมายรู้ทราบศพที่ถูกสักเป็นท่อน 8. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารม์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งโลหิตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีโลหิต 9. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปุรุกวกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีนอน 10. สมาธิที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอธิกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีแต่กระดู สมาธิเหล่านี้รวมเป็นห้าสิบห้าอย่างอีกอย่างหนึ่งสมาธิมีความหมายยี่สิบห้าอย่างคือหนึ่งชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าสัตทิน4ีเป็นต้นกำหนดถือเอาสองชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าอินรีเป็นบริวารแห่งกันและกันสชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่า สัตทินรีเป็นต้นบริบูรณ์สชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่ามีอารมณ์เดียวหชื่อว mm ่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่านหชื Luna, ่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ซ่านไป7ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ขุนมัว 8. ปชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่วันไว เก้าชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าหลุดพ้นจากกิเลสสรุปว่าชื่อว่าสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นด้วยอำนาจปรากฏชัดในเอกขัตตารม์ิ0ชื่อว่าสมา ธ, เามามามาธิเพราะมีความหมายว่าสแสวงหาความสงบสิเอ็ดชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่แสวงหาธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ สิชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าแสวงหาความสงบแล้ว 13. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่แสวงหาธรรมที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้ว 14. ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่ายึดมั่นความสงบสิบหชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ยึดมั่นธรรมที่เป็นข้าศึกแต่ความสงบแล้วสห ช wow. ื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่ายึดมั่นความสงบแล้ว17ชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ยึดมั่นทำที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้วสิบแปชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติความสงบสิบเชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ปฏิบัติความไม่สงบยี่สิชื่อว่าสมาธิ เพราะมีความหมายว่าปฏิบัติความสงบแล้วยี่สิบเอ็ดชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าไม่ปฏิบัติความไม่สงบแล้วยี่สิบสองชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเพ่งความสงบยี่สิบสามชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเผาธรรมที่เป็นข้าศึกแต่ความสงบยี่สิบสี่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีความหมายว่าเพ่งความสงบแล้วยี่สิบห้าชื่อว่าสมาธิเพราะมีความหมายว่าเผาธรรมที่เป็นข้าศึกแต่ความสงบแล้วสรุปว่าชื่อว่าสมาธิเพราะสงบเพื่อกูลและเป็นสุขเหล่านี้เป็นความหมายแห่งสมาธิยี่สิห้าประการชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการสำรวมตั้งจิตมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามยะญาณสมาธิภาวนามยะญาณ น, นิเทศที่สามจบ